พุทธศาสนาเป็นยอดแห่งเครื่องมือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เต็มภูมิให้เป็นพระเต็มภูมิไม่มีเครื่องมือใดคือโอวาทใดที่จะยิ่งไปกว่าศาสนาธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราเองได้ปฏิบัติมาเป็นเวลาหลายปีการศึกษาเรียนก็ยกไว้นั่นเป็นประเภทหนึ่งยังไม่ถึงขั้นเอาจริงเอาจังทดสอบเหตุผลหลักความจริงแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเหมือนภาคปฏิบัติการออกปฏิบัติ นั่นคือความเอาจริงเอาจังทดสอบหเหตุผลหลักเกณฑ์ของธรรมเพื่อเข้ามาชำระสสารสิ่งที่ศกปโกรกโซมมอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นแสดงออกเป็นความขัดแยง้งเป็นการลบล้างเป็นค่าศึกต่อาศาสนธรรมอันดีงามตลอดมา นี่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากภายในจิตใจของคนและสัตว์เฉพาะอย่างยิง่งให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากภายในจิตใจของเราผู้เป็นนักปวดซึ่งจะชำระสะสารหรือถอดถอนสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วอย่างเต็มใจความรู้ใดความเห็นใดก็ตามถ้าลงได้ขัดแย้งต่อาศาสนธรรมแล้ว ความรู้นั้นความเห็นนั้นคือความรู้ความเห็นเพื่อทําลายตนเองโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกยังอาจจะภูมิใจในความรู้ของตนนั้นอีกด้วยทั้งๆ ท, ท, ที่ความรู้นั้นเป็นภัยต่อตนเองเช่นเดียวกับขุยไม้ไผ่ที่ได้เกิดขึ้นแล้วจะก่อ่ก่อใดาลดาใด ยอมจะทำลายกอไผ่กอนั้นหรือลำนั้นให้พินาศจิบหายหลงไปโดยไม่ต้องสงสัยนั่นเรียกว่าความรู้ขุยไม่ไผ่เกิดขึ้นมาแล้วฆ่าตัวเองหรือฆ่าแม่ของตนด้วยเหตุนี้ทำจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยากที่บุคคลจะเข้าใจได้ยางธรรมดาโลกโลกทั่วไป สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของมนุษย์ทามันด้วยกันจะพิสูจน์ได้แต่หลักธรรมนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากยิ่งกว่านั้นเราอยากทราบหลักความจริงแห่งความละเอียดอ่อนของธรรมและความจริงอันหนึ่งซึ่งเป็นความละเอียดอ่อนแหลมคมของเขา ได้แก่ค่าสึกคือกิเลสนั้นเราปฏิบัติก็จะทราบไปโดยลำดับคำว่าปฏิบัตินี้หมายถึงจิตตภวนาการปฏิบัติตามพระวินัยนั้นเป็นข้อหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญยังไม่ถึงยังไม่เข้าถึงความละเอียดอ่อนของธรรมและของกิเลสอย่างแท้จริงได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรม อีกขั้นศีลนั้นเป็นธรรมขั้นหยากท่านให้ชื่อว่าศีลความจริงก็คือธรรมขั้นหยาบเพื่อรักษาทายวาจาที่แสดงออกอาจเป็นความเสียหายทําลายตนเองและผู้เกี่ยวข้องได้มากมายนั้นได้จึงต้องให้ระมัดระวังรักษาประเภทธรรมประเภทนี้ให้ชื่อว่าเป็นศีล ความจริงก็คือทำนั่นแหละเหมือนกับรั้วของบ้านศีลเหมือนรั้วบ้านทำเหมือนกับสมบัติอยู่ในบ้านมีคุณค่ามากน้อยเพียงไรเราเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหรือที่ดีสิทธในบ้านของเราศีลเป็นรั้วส้ำหลับกัน้นเขตแดนหรืออันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาศีลเพื่อไม่ สิ่งที่เป็นค่าศึกทั้งหลายเข้ามาย่ำยีทมอันเป็นส่วนละเอียดซึ่งกำลังจะงอกงามขึ้นภายในจิตด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาของเรานี่เป็นหลักใหญ่ฉะนั้นขอทุกท่านพึงสำเนียกในตนเสมอพยายามทำจิตให้จดจอต่อธรรมของพระพุทธ เ, เจ้าอย่าได้ฝ่าฝืนอย่าได้เห็นความรู้ความเห็นของตน นั้นว่าเป็นของดียิ่งกว่าทำรรเพราะความรู้ประเภทมันนั้ น, น, นส่วนมากเจือด้วยยาพิษมาแล้วด้วยดีเราไม่อาจจะทราบได้เพราะคูภูมิความรู้ของเราไม่สามารถที่จะยังทราบยาพิษประเภทนั้นๆดังหลักธรรมท่านกล่าวไว้นั้นว่ากิเลสกิเลสล้วนแล้วตั้งแต่เป็นข้าศึกแห่งใจทั้งหมด รมจึงเป็นเครื่องกาั่นกรองสิ่งเหล่านี้ออกได้อย่างดีเยี่ยมคือทำฝ่ายเหตุเครื่องดำเนินซักฟอกถอดถอนด้วยความอุตสาหพยายามด้วยสติด้วยปัญญาเป็นของสำคัญการจะแก้กิเลสทุกประเภทสติกับปัญญาเป็นสำคัญอย่างยิ่งความเพียรความอดความทน ความบากบัน่นทั้งหลายเป็นเครื่องสนับสนุนคือเพียรด้วยความมีสติเพียรด้วยความมีปัญญาอุตสาห์พยายามผิดสติผิดปัญญาให้สืบต่อกันอยู่เรื่อยๆเมื่อมีโอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้ทำความพยายามทำความอดทนในการพิจารณาเพื่อทราบความจริง ทั้งแหน่ธรรมและแน่กิเลสประเภทนั้นๆด้วยปัญญาของตนอย่างแท้จริงนี่ชื่อว่าการปฏิบัติถูกต้องต่างหลักตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ากิเลสคําว่ากิเลสกิเลสนั้นทุกประเภทจะไม่มีสถานที่อื่นใดเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยมีแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเรือนรังของกิเลสมานาน เราจึงไม่สามารถอาจทราบได้ว่ากิเลสกับเรานั้นต่างกันอย่างไรบ้างเราจึงเห็นเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราไปเสียทั้งหมดส่วนมากเราจะไม่มองเห็นกิเลสจะมองเห็นแต่ว่าเราเท่านั้นคำว่าเรานี้จึงเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาสามารถที่จะทับถมทนเป็นของจริงได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะคำว่าเรานี้เป็นเครื่องบรรจุพร้อมมาแล้วกับกิเลส ตัวสำคัญสำคัญถึงแทรกสินอยู่อย่างสนิทติดจงเราไม่อาจจะทราบได้ถ้าไม่ทราบได้ด้วยแง่แห่งจิตตะภาวนาการทดสอบพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญมาได้บำเพ็ญมาแล้วอย่างนี้พูดถึงเรื่องความเพียรก็เพียรเต็มที่เต็มฐานถึงชีวิตจิตใจจะ ล่วงลับดับไปในขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรพระองค์ก็ยอมเสียสละไม่เสียดายแม้แต่นิดหนึ่นอกจากที่จะเทดิดทูนทาที่พระองค์ทรงมุ่งหวังนั้นและให้ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้วนั้นเท่านั้นความมุ่งมัน่นหรือความมุ่งหมายนี้มีกำลังกล้าในพระทัยของพระองค์ ฉะนั้นความลำบากลําบนใดๆในการประกอบความภาคเพียรพระองค์จึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะหักห้ามเพราะความเพียรขององค์ให้ลด่อนผ่อนตัวลงได้เลยมีแต่ความอุตสาห์พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลสุดท้ายก็ <c oughs> ไม่พ้นความพยายามและไม่พ้นพระสติปัญญาไปได้เลยสามารถรู้แจ้งแทงตลอด สิ่งที่มืดดําทั้งหลายอีกหุ้มห่อภายในพระไถของปู่ให้แตกกระจายขยายความรู้อันลึกซึ้งกว้างขวางแผ่กระจายไปเป็นความสว่างกระจัดแจ้งด้วยพระสติปัญญาหรือปัญญาญาณกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกเพราะ อ, าอํานาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนพระสติปัญญา เราทั้งหลายผู้เป็นลูกจิตตถาคตยาลืนทำเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับจิตใจของเราผู้ใดมีความเพียรผู้ใดยอมรับความจริงจากาศาสนาธรรมซึ่งเป็นของจริงล้วนๆ น, นี้และพยายามปฏิบัติ ด, ดำเนินจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยทางสติปัญญาจัดทาความเพียรไม่ลดละแล้ว กิเลสแม้จะหนายิ่งกว่าภูเขากี่ลูกก็ตามยาวาดเพียงภูเขาทั้งลูกเลยจะไม่พ้นสติปัญญาอันแหลมคมนี้ไปได้เลยจะต้องแตกกระจายเบิกทางไปได้โดยลําดับลําดับเห็นช่องเห็นทางไปได้โดยลําดับในขณะเดียวกันก็เห็นกลมายาของกิเลสซึ่งเคยแทรกอย่ภ า, ายจในจิตใจไปได้โดยลําดับลําดับโดยไม่ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นการบําเพ็ญเพียรจึงต้องขึ้นอยู่กับสติและปัญญาเป็นสําคัญกว่าอื่นกิเลส จ, จะขาดไปแต่ละตัวและตัวแต่ละประเภทประเภทนั้นขาดด้วยอำนาจของสติกับปัญญาเป็นสําคัญจิตแม้เป็นสมาธิได้ในขั้นเริ่มแรกก็ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องควบคุมกับงานของตนที่กําลังดําเนินอยู่นั้นไม่ ขาดวักขาดตอนในทางความเพียรด้วยสติเดินก็ให้เป็นเดินด้วยความมีสติจริงๆที่เรียกว่าเดินจงกรมหรือเรียกว่าเดินด้วยความมีความเพียรเมื่อใช้ปัญญาก็ให้เป็นปัญญาจริงๆสืบต่อสิ่งต่างๆ ที่เข้าเกี่ยวข้องกับการพิจารณาของเราโดยทางปัญญาให้เห็นชัดเห็นจริงตามสิิงนั้นๆที่เป็นความจริงอยู่แล้วดังตามดังความดังเดิมของเขาเป็นแต่เพียงกิเลสมันเสียกสันตั้นยอเอาเท่านั้นเป็นเครื่องแข่งทำอยู่เสมอเราหากไม่มีโอกาสทราบได้ดังที่เคยอธิบายมาอยู่โดยสม่ำเสมอถึงเรียกว่ากิเลสแหลมคมมากเราอยากจะทราบความแหลมคมของกิเลส และอยากจะทราบความแหลงคมของธรรมมีสติปัญญาเป็นรำคัญให้เข้าสู่สนามรบกับกิเลสเราก็ทราบกันไปเองจิตที่เคยฟุ้งซ่านลำคาญวุ่นวายก่อควรตนเองด้วยอำนาจของกิเลสเรื่อยมานั้นจะต้องได้รับความสงบเพราะการกดขี่บังคับการต่อสู้การฝึกฝนทรมาน จิตไม่ให้เป็นไปตามอำนาจของเกลียดด้วยความเพียรด้วยความอดทนโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับจิตอยู่เสมอจิตจะต้องยงเข้าสู่ความสงบจนได้วันและในวันและเวลาหนึ่งนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เราอยากคาดเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดนอกจาก อยู่ในวงของสัจธรรมทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคหรืออยู่ในวงแห่งสติปัฏฐานสี่รวมความลงแล้วก็คือว่าอยู่ในเล้าว่างแห่งขันกับจิตนี่แหละอยูท้ายก็อยู่ที่จิตนั่นลงเข้าลงเข้าไปตรงนั้นขยับเข้าไปขยับเข้าไปลงสู่ที่จิตทั้งหมดจิตเวลานี้บรรจุสิ่งโส ก, ปกโปกโสมมไม่เต็มที่ จึงมองไม่เห็นเหตุเห็นผลมองไม่เห็นหลักความจริงจึงแย้งความจริงอยู่เสมอภายในความรู้สึกของตนโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้เพราะกิเลสปิดบังไว้ไม่ให้รู้นะเมื่อเป็นเะนั้นตนก็สร้างค่าดแก่าตนเองทั้งๆ ท, ท, ที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละนี่เราไม่ทราบได้จึงต้องพลิกสติขึ้นมาให้ทันกับความเคลื่อนไหวของใจยับเอาไปตรงไหน เกิดเรื่องที่ตรงนั้นเพราะกิเลสเป็นเจ้าเรื่องไม่ใช่เป็นเจ้าแห่งความสงบเป็นเจ้าเรื่องเป็นเจ้ายุแย่ก่อกวนเป็นตัวทํำลายอยู่ในตัวของกิเลสนั้นทั้งมวลมีมากมีน้อยทั้งโคตรทั้งแส่ลูกเต้าเหล่ากอของกิเลสทั้งมวลเรียนหรือดําเนินมาแบบเดียวกันคื อ, อยุแย่ก่อกวนทําลายจิตใจของสัตว์โลก เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเขาไม่มีงานอื่นเป็นที่ทำถ้าจะเรียกว่างานเหมือนคนเราทางานเขามีหน้าที่อย่างนั้นเป็นความจริงประจำตัวของเขาจึงเรียกว่าสมุทัยอริยสัจจำสมุทัยเป็นของจริงเขาจริงมาอย่างนี้ตามหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาที่จะเข้าพิสูจน์กดขีบ่บังคับต้านทานหรือต่อสู้ด้วย วิธีใดก็ต่ า, ตามกับสิ่งเหล่านี้ให้จิตได้ตกมาในเงื้อมมือแห่งสติปัญญาหรือตกมาฝ่ายธรรมเป็นความสงบเย็นขึ้นมาบ้างมากน้อยเป็นความสงบเย็นลงไปโดยลาดับบ้างเป็นความแยบคายขึ้นมาภายในตนโดยลาดับบ้าง โดยทางสมาธิโดยทางปัญญา น, นี่คือวิธีการต่อสู้กับยิเลสให้ถืออริยสัจทั้งสี่เป็นสนามรบเป็นเวทีต่อสู้กันทุกนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากยิเเลสสมุ ท, ทยัยมีราคะตันหาเป็นต้นผิดขึ้นมาสติปัญญาเป็นเครื่องห้ามหั่นกันกับสิ่งเหล่านี้ หลายครั้งต่อหลายหนทนไม่ได้ต้องขากกระเด็นไปเพราะอํานาจแห่งความเพี่ยนนี่แหละหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การประกอบความเพียรอย่าถือเวลานั้นอย่ากําหนดเวลานี้อย่ากําหนดเอียริยาบทนั้นเอียริยาบทนี้สิ่งที่ทําลายจิตใจของเราไม่มีการสถานที่เวล่าเวลาไม่มีเอียริยาบทแต่ทําลายอยู่เสมอ เหยียบย่ำอยู่เสมอก่อควรอยู่เสมอภายในใจแสดงออกมาทางขันเป็นความคิดความปรุงเป็นความสำคัญมั่นหมายและแสดงออกมาเพราะสิ่งภายนอกเข้าไปสัมผัสและแสดงออกมาโดยความผลักดันของกิเลสโดยลำพังตัวเองและยึดอารมณ์อดีตที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกมาแล้วเข้ามายุ่ยหย ก, ก่อควนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตามธรรมาชาติของ สมุทยัยไม่เป็นอย่างอื่นนี่การที่เราจะพิจารณากรันกรองจิตให้รับความสงบ ต, ต้องระ ง, งับความคิดความปรุงซึ่งเป็นเรื่องของสมุทยัยให้เป็นความปรุงทางด้านธรรมะเช่นเราจะปรุงคำบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นบทใดก็าตามหรือทำบทใดก็าตามงานอันนี้เป็น เป็นงานของมัทธะศัพ์ปรุงเหมือนกันแต่ปรุงเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสกิเลสนั้นปรุงเป็นเครื่องผูกมัดแต่ฝ่ายธรรมนั้นปรุงเป็นเครื่องแก้กันปรุงอยู่ที่จิต ด, ดวงเดียวเปลี่ยนความปรุงจากความปรุงเรื่องของกิเลสกลายมาเป็นความคิดความปรุงของธรรมใจย่อมได้รับความสงบนั่นคือผลเกิดขึ้นจากงาน ที่ประกอบด้วยธรรมโดยความมีสติจิตย่อมจะสงบได้โดยไม่ต้องสงสัยนการทำจิตให้สงบต้องถือเป็นจริงเป็นจังทุกอิริยาบถย่าได้ถือว่าอยาบทนั้นยาบทนี้เวลานั้นเวลานีน้ไม่ทานการกับสิ่งที่ทาลายตนอยู่เสมอซึ่งไม่มีการไม่มีสถานที่มีแต่งานของเขาอยู่เช่นนั้นเราจึง จึงทำให้ทันการให้ทันเหตุการณ์ที่แสดงอยู่ภายในจิตของเราด้วยความเพียรของเรานี่คือความพยายามที่จะยกระดับจิตของเราให้สูงเหนือพิเลกขึ้นไปโดยลำดับหรือทาละจิตของตนที่มีความเศร้าหมองหรือมืดดำนั้นให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งความเพียรนี่แหละท่านเรียกว่าหล่อหลอมมนุษย์ ให้เป็นมนุษย์ด้วยการประกอบอุณงามความดีเฉพาะอย่างยิ่งด้วยจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่เห็นแจ้งกระจัดและย่นเข้ามาอีกก็คือพวกปฏิบัติของเราซึ่งเป็นน้าบวชมีหน้าที่อันเดียวนี้เป็นสำคัญเราไม่ได้เป็นห่วงใยอะไรทั้งหมดจะตุ ป, ปัจจัยทายทานทั้งสี่ประการกีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยบินทาบาทอาหารการบริโภค เสนาชนะที่อยู่ที่อาศัยกีฬานักเัศเต็มอยู่แล้วนีแต่ผู้ใจบุญมาสนับสนุนพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนแม้ขาดตกบกพ่องพอที่จะเป็นกังวลกับสิ่งเหล่านี้ให้มากยิ่งกว่าความเพียรมีหน้าที่อย่างเดียวคือการประกอบความเพียรเพื่อชำระจิตใจของเราให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาจากสิ่งอับเฉาเมามั ว, มวคือกิเลสประเภทต่าง โฟว์ขึ้นมาด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความสงบเย็นใจนี่คือภาคหนึ่งแห่งการปฏิบัติจิตภาคที่สองเวลาจิตมีความสงบปล่มเย็นพอควรที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วให้พิจรารณาเอายกตัวตัวการซึ่งกิเลสมันจับจองอย่างแนบสนิทติดจมเหมือนกับ ตีตะปูติดกับไม้ไว้อย่างแน่นหนามันคงได้แก่ขันตั้งหัมีรูปประขันเป็นต้นกิเลสมันบอกว่ารูปร่างสังขารร่างกายอันนี้นั้นมีความสดสวยง ด, ดงามน่ารักใครชอบใจน่าเพลิดน่าเพลินน่ากำหนัดยินดีนี่คือกลอุบายหรือวิชาของกิเลสที่ครอบหัวใจเราให้มองไม่เห็นความจริงได้ นี่เป็นหลักเป็นเรื่องของกิเลสทีนี้เราใช้ปัญญาซึ่งเป็นหลักความจริงที่จะแก้กิเลสประเภทนี้ให้รู้เห็นตามความจริงดูร่างกายนี้ว่ามันสดสวยงดงามที่ตรงไหนหนังมันดูผิวเผินแบบปุรุดตาฟางก็ดูที่ผิวบางๆนี่เท่านั้นแล้วเหมาว่าเป็นของสวยของงามไปหมดทั้งตัวได้อย่างไร าาทำให้ใกิเลสมันลากลงไปให้เป็นเช่นนั้นเพราะตัวกิเลสเป็นตัวจอมปลอมจึงเสกสรรออกมาด้วยความจอมปลอมของตนซ้ำเอ่ยไปปัญญาพิจารณาอย่างลงไปให้เห็นตามความจรงิงมันเป็นด้วยความเป็นอสุภาอสุพังหมดทั้งร่างของเหล่านี้ภายนอกก็มีแต่มูลสดมูลแห้งยิ่งเงอะที่ใครเต็มตไปหมดภายในร่างกายของเราเบื้องบนเบนืบ้องล่างไม่นิยมเต็มไปหมดด้วย มูลทั้งหลายในแก่ขี้เงือกขี้ใครขี้หูขี้ตาขี้ฟันเต็มไปหมดพี่นาให้เห็นอย่างนี้ทีนี้แยกเข้าไปสู่ภายในมันมีความสวยของงามที่ตรงไหนมองดูตรงไหนมีแต่กองอสุภะอสุพัง้าชีวิตลมหายใจไม่ครองร่างอยู่นี่แล้วดูกันได้เมื่อไหร่มันยิ่งกว่าป่าชา้าซึ่งอยู่นอกบ้านดูนอกเมือง นั่นไปซะอีกเพราะปาช้านี้อยู่กับเราติดกับตัวของเราเมื่อได้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักความจริงนี่โดยทำแล้วทำไมจะต้องมาติดทำไมจะต้องมากำหนดยินดีในสิ่งที่หลอกลวงด้วยผิวหนังเพียงบางๆเท่านั้นส่วนภายในตัวทั้งหมดเต็มไปด้วยของปฏิกูลโศกโรก กองเนื้อกองหนังกองกระดูกกองตับไตใส้ภูมิอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งล้วนเป็นของปฏิกูลโสโครกเต็มอยู่ในสกุลนการนี้ทั้งหมดนี่คือธรรมเป็นเครื่องแจ้ความจำปลอมของกิเลสที่เสกสรรพยมมาให้เราหลงจน 10, มืดมิดปิดทวารไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้สุขรู้ทุกข์ไม่รู้สูงรู้ต่าเพราะอานาจของกิเลสมันบีบบังคับลงไป หเห็นแจมแจ้งตําหนักความกิง น, นี้แล้วจิตย่อมถอนตัวออกมาหาความกําหนัดกินดีไม่ได้ทั้งตัวของเราทั้งตัวของเขาตัวของไข่ก็ตามไม่ว่าหญิงว่าชายมันเป็นกองอสุพะอจุพังกองป่าชา้าพิดดิบด้วยกันทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งเอง็นทั้งกระดูกทั้งภายในภายนอกตับไปใส่ผงอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นของสวยงามที่ตรงไหนมันเต็มไปด้วยป่าชา้า ที่เป็นของน่าเกลียดน่าอิจนาละอาใจและน่ากลัวน่าขยะขยแยงอย่างยิ่งถ้าพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงในขั้นนี้เท่านั้นก็เห็นโทษแล้วนี่ขั้นหนึ่แล้วพิจารณาจนมีความชำนิชำนานคล่องแคล่วว่องไวเห็นประจักษ์ปัญญาของเราอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจะทนยึดมั่นถือมั่นสําคัญว่า เราว่าของเราว่าเป็นของสวยของงามอยู่ไม่ได้ไม่ว่ารูปภายนอกหรือว่ารูปภายในถ้าไม่ติดภายในแล้วก็วไม่ติดภายนอกเห็นจริงตามส่วนภายในร่างกายทุกส่วนแล้วย่อมเห็นจริงตามส่วนภายนอกของร่างกายทุกส่วนจะเป็นของใครของหญิงของชายก็ตามมันเป็นสภาพอันเดียวกันจึงเรียกว่าโลกวิถูกเมื่อรู้แจรร้งในขันนี้แล้วย่อมรู้แจ้งในขันนั้นรู้แจ้งในขันหญิงขันชายมันเป็นขันเหมือนกันเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดแล้ว จะยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานเพราะความงูกเข่าบ่ปัญญามืดบอดเนื่องมาจากอํน า, าอนาจของกิเลสครอบงําได้อย่างไรมันต้องถอนตัวออกมานะนี่ชื่อว่าทําแก้กิเลสแก้กันอย่างนี้ทำนี่คือความจริงพิจารณาด้วยความจริงไม่ได้ความเสร็จสรรต์ปัญญาแต่กิเลสมันเสรศสรนต์ปัญญารึงเรียกว่าปลอมมันไม่จริงเมืเราพิจารณาตามหลักความจริงก็เห็นได้อย่างชัดๆชัดเพียงขั้นอรูปะก็เห็นอยู่แล้ว มันสวยงามที่ตรงไหนมันก็อสุภะตรงๆ ต, ตามหลักความจริงนี่ขั้นหนึ่งแต่จะพิจารณาเป็นอณนิจังก็ตรงไหนที่มันอยู่โยงคงถาวรคงเส้นคงวาได้ตลอดไปมีแต่กองอณิจังแปรสภาพอยู่ตลอดเบื้องบนเบื้องล่างข้างในข้างนอกหมดทั้งร่างกายและจิตใจที่แสดงออกอาจจะพิจารณาประทางเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ มันก็เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแท้จริงหาที่คานไม่ได้ถ้าลงปัญญาได้อย่างทราบชัดเจนอย่างนี้แล้วยึดมั่นที่ตรงไหนจอเข้าไปสูเวทนาไม่ว่าสุขว่าทุกมันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาความจําได้หมายรู้จําเท่าไหรมันก็ลืมไปหมดไปหมดไปต้องการจําขึ้นมาใหม่ไม่ใช่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นกองอะไรนมละคันท่าคือรูป เวทนาความสุขความทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจำได้หมายรู้หรือความสำคัญมั่นหมายสังขารคือความคิดความปรุงของใจและสังขารคือร่างกายที่ปรุงขึ้นด้วยอานาจของปัจจัยธาตุสี่เป็นเครื่องสนับสนุนการผ ส, ระสะมผสานผสมกันเข้าแล้วมีใจเข้ามาเป็นตัวตัวการก็เรียกว่าร่างกายความจริงก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราดีๆนี่แหละ วิญญาณความรับทราบทางอายตนะภายนอกเข้ามาสัมผัสสัมพัสเช่นรูปเสียงกลิ่นโน้เป็นต้นเข้ามาสัมผัสสัมพัสตาหูจมูกเป็นต้นก็เกิดความรู้ความคิดต่างๆขึ้นมาสิ่งทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นพอสัมผัสแล้วก็ดับไปดับไปแต่อารมณ์ของใจนี้ปรุงขึ้นมาเรื่อยๆอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆเกิดเรื่องขึ้นเรื่อยๆเรื่องใดมีแต่เรื่องกิเลสหลอกลวงเราพิจารณาโดยทางปัญญาแล้วมันมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับครับ ความจริงจังแน่หนาทาวรคงเส้นคงวาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวนิดเดียวภายในขันของเหล่านี้นี่การพิจารณาด้วยปัญญาเมื่อพิจารณาจนช่ำชองจะสามารถทราบซึ้งในความจริงทั้งหลายยอมกราบพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยและเห็นโทษแห่งความโง่ของตนไปโดยลำดำับว่าถูกกิเลสหลอก เ, อเสียจนจมมิดมาเป็นเวลานานแล้วเวลานี้กาลัง ฟื้นฟูตัวขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีความภาพเพียรส ต, ติปัญญาเป็นต้นเราก็ยิ่งจะมีความขามักขมันเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็เห็นอย่างถึงใจเมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นอย่างถึงใจแล้วความเพียรพยายามทำไมจะไม่ถึงใจความเพียรทุกด้านต้องถึงใจเมื่อถึงใจทุกอย่างแล้วย่อมจะเต็มเม็ดเต็มหน่วย บรรณาผลที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียรด้วยความถึงใจเมื่อถึงใจเข้าไปโดยลำดับลาดับทำไมจะไม่ถึงธรรมเข้าโดยลำดับผลจุดท้ายก็แทงทะลุไปได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจนี้เลยเพราะกิเลสถูกทำลายอยู่ทุกเวล่งเวลาด้วยอำนาจแห่งความเปลี่ยนไม่ว่าียาบทใดสถานที่ใดการใดเวลาใดมีแต่ความเพียรห้ามหันกันอยู่ ไม่ยอมลงเวทีนอกจากขณะที่หลับเสียเท่านั้นนั่นเรียกว่าลงเวทีพักให้น้ำถ้าเป็นนักมวยก็ดีนี่เราก็เป็นนักต่อสู้กับกิเลสด้วยอำนาจแห่งธรรมของมือเจ้ามาเป็นเครื่องมือฝ่ายเหตุดาเนินไปตามนั้นความรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่รู้แจ้งขึ้นที่ตรงไหนจะรู้แจ้งขึ้นที่ตรงที่มืดมืดดําๆ ที่เคยเจอมปลอมมาเป็นเวลานานนี่แหละจะกลายขึ้นมาภายในจิตของตัวเองโดยไม่ต้องขาดต้องฝันขอให้มีความภาคเพียรเป็นเม็ดเป็นหน่วยเถอเรื่องจะเป็นอย่างนี้อันการคาดมรรคผลนิพพานมาอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นคือความงมงายไม่มองดูสัจธรรมแต่จะต้องการมรรคผลนิพพานความเพียรอ่อนแอที่สุดจนจะล้มจะเหลว แต่ยังต้องการมรรคผลนิพานนี่ก็คือวาดมโนภาพแบบห ล, ลุมหลุมแรงแรงหาความสัจความจริงหาจุดที่หมายไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะหาหลักเกณฑ์ให้ได้ให้มั่นคงให้เป็นที่แน่ใจจึงต้องค้นคุยเขี่ยลงในวงสัตจธรรมทั้งสีคือทุกสมุทัยนีโรคมากนี่มากแปลว่าทางดําเนินดึกเครื่องมือปราบปรามที่เ็กได้เกะ อ, อะไร น่าจะศีลสมาธิปัญญาศีลเราก็รักษาแล้วโดยสมบูรณ์ด้วยเจตนานบริสุทธิ์ของหเราสมาธิไม่มีทําให้มีขึ้นเราทําให้มีขึ้นได้ทําไมความพุ่งสร้างมันเกิดได้ขณะใ ด, ดที่จิตหาความสงบไม่ได้ขณะนั้นเรียกว่ากิเลสมันรุนแรงทั้งๆ ท, ที่ประกอบความเพียรให้จิตสงบจิต ก, ก็สงบไม่ได้ก็แสดงว่าอํานาจของกิเลสมันมากกว่าธรรมเราก็เพิ่มกําลังเข้าไปจนกระทั่งจิตสงบได้นั่นแสดงว่า กิเลสตอนนี้ยอมแพ้แล้วแล้วจิตเราได้สงบลงไปหน้อย่างสะดวกสบายนะเวลาแพ้มันเรามันก็มีถ้ามีการต่อสู้ต้องมีการแพ้การชนะกันจะได้นอกจากความหมอบราบแอย่างเดียวก็เรียกว่าแพ้อย่างหลุดลุยหาทางต่อสู้ไม่มีไม่มีประตูที่จะสู้ที่เลสเขาเ็เป็นคนหมดหลังเป็นคนหมดสาระ ให้กิเลสเหยียบย่ำทาลายอยู่ตลอดไปเราไม่ต้องการเป็นคนแพ้แต่ต้องการเป็นผู้มีชยนนัยชนะอาชาณ์ใหม่มีความอดกล้าหาญชาญชัยอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียงด้วยการต่อสู้ของสากกยะบุตรพุทธพิชโนรสของพระพุทธเจา้าผู้จอมศ า, าสดาจอมอาชาณใหม่ต้องเอาให้เข้มข้นเอาให้เข้มแข็ง ไม่เข้มแข็งสู้กิเลสไม่ได้กิเลสทุกตัวเข้มแข็งทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดเจ้าอ่อนแอเมื่อเป็นเช่นนั้นความเพียรที่เราอ่อนแอจะสู้กิเลสได้อย่างไรต้องเอาให้ทันกันนี่แหละเป็นพลิกแพงเปลี่ยนแปลงด้วยไหวพลิปัญญาต่อสู้กับกิเลสต้องคิดอย่างนี้นะักปฏิบัติไม่คิดอย่างนี้ไม่ทันกันเอาให้กินให้จังปัญญาถึงคราวพิจานาเอาให้กินให้จังพิจานา สอดแทรกลงไปทุกนี่ทุกมุมให้จดจ่อต่อเนื่องด้วยสติมีความมุ่งหวังอยากจะรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ตนพิจารณายิ่งกว่าอยากรู้จริงเห็นจริงในสิ่งอื่นใดในโลกธาตุนี้นั้นจะต้องรู้แน่ๆไม่สงใจเนื้อ เ, เรียกความเพียรบังคับลงไปบังคับจิตไม่ตายเราไม่ตายกิเลสบังคับเรายังไม่เห็นตายเราบังคับจะ กิเลสเราต่อสู้กิเลสทำไมเราจะตายกลัวทำไมเรื่องการเกิดการตายก็เป็นอำนาจของกิเลสพาให้เกิดให้ตายต่างหากทำแท้ไม่พาให้เกิดให้ตายทำไมเราจะกลัวเราจะอ่อนทางความความภากเพียรแต่ทันยิ่กลมายาของกิเลสจะทันต่อสู้กับกําลังของกิเลสได้อย่างไรเราต้องเอาอย่างนี้นักปฏิบัติอย่าถอยหลังเอาให้จริงให้จังสติปัญญามีได้ด้วยกันถ้านํามาใชา้ทําไมจะไม่ได้ หนักก็ตามเบาก็ตามเราก็ทราบแล้วว่านี่งานของเราหน้าที่ของเราหนักก็ต้องแบกต้องหามเบาก็ต้องแบกต้องหามต้องทําทางอยู่ตรงนี้ครุขะก็ไปสะดวกก็ไปไปทางอื่นมันผิดจะไปทางนี้ทางนี้ถูกโคดโค้มก็ต้องไปตรงก็ต้องไปราบลื้นก็ต้องไปครุขะต้องไปหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยหลังชื่อว่าเป็นผู้เชื่อเหตุเกี่ยวผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้เคยผ่านอุปสรรคหรือความทุกข์ความลําบากเหล่านี้มาแล้วยิ่งกว่าใครๆไม่มีใครที่จะแซงพระพุทธเจ้าไปได้พูดถึงเรื่องความทุกข์ในการประกอบความเพียรถึงขั้นสรบสลายเห็นไหมในตำลักตำหลาเรายังไม่เห็นมีอะไรสรบสลายนอกจากสรบตรงหมอนเท่านั้นสรบด้วยการต่อสู้กิเลสเรายังไม่มีเอาให้เห็นสิว่าเราสรบปกิเลสให้ตายนะอ้าวเราไม่ตายกิเลสก็ตายมี กันเท่านี้ไม่มีที่อื่นเวลานี้เราได้เข้าสู่สงครามแล้วถอยออกมาด้วยความแพ้ได้ประโยชน์อะไรมีความสจ้ารนาสีมีเกียรติที่ตรงไหนการแพ้กิเลสไม่ใช่ของดีสําหรับพระนักปฏิบัติพระกรรมาฐานเรานอกจากเอาให้ชนะนั้นมันทําไมจะไม่ชนะพระพุทธเจ้าประทานเครื่องมือให้อย่างทันสมัยอยู่แล้วมัชชิมาปฏิปทาคืออะไรถ้าไม่ใช่ทาที่ทันสมยัย เครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับการปราบกรรมยิเรศทุกประเภทอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่ขั้นพุทธการจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยมีการล่อลอไม่มีการสึกหลอไม่มีการอ่อนล่าอะไรลงไปเลยเป็นมัติ ม, มาอยู่ตลอดจึงท่านจึงให้นามามัติ ม, มามัติวะคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการจะนํามาปราบยิเรศทุกประเภทไม่มีทะยิเรศตัวใดจะเหนือมัติ ม, มาปฏิปทานนี้ไปได้ เวลากิเลสมันบุนแรงมัชฌิมาเครื่องมือนี้เอาให้ดุนแรงเอาให้ทันกันกิเลสมาออกมาไม้นี้สติปัญญาศรัทธาความเพียรไปไม่ น, นั้นแก้กันอยู่อย่างนั้นแก้ไม่หยุดแก้ไม่ถอ ย, ก, ถอยก็สู้เราไม่ได้หงายตึงลงไปนะพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายมีแต่พูดต่อสู้ให้กิเลสหงายตึงหงายตึงเพรานั้นเผาศพกิเลสแหลกไปหมดนิพพานนางปรามังสุขขังไม่ต้องพูดนะเมื่อได้ชายชนะแล้วไม่ต้องถามหาพระนิพพานกิเลส เรียบวุฒลงจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องถามหาพระนิพพานเวลานี้และไม่ต้องหาถามหาบรมมาสุขไม่ต้องหาถามหาความอิสระเสรีของใจใจที่ไม่มีอิสระเสรีเวลานี้มีแต่อำนาจกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นที่ปกคลุมหุ่มห่อหรือ บ, บงังกดขีบ่บังคับย่ำยีตีแหลกอยูภ า, ายในจิตใจของเรายังไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วเราจะไปเห็นคุณค่าของธรรมได้อย่างไรต้องเอาให้สู้กับกิเลส ให้ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของธรรมคือสติปัญญาเป็นสาคัญที่จะต่อสู้กับกิเลสเนี่ยเอาให้จริงจังการพิจารณาไม่ว่าจะพิจารณาส่วนใดให้จริงเวลาอยาเข้าสู่ความสงบด้วยสมถะคือความสงบใจก็ให้ทําหน้าที่นั้นอย่าสนใจกับปัญญาในขณะนั้นให้จริงให้จังแทงทะลุลงจุดเดียวเท่านั้นอย่าไปว่าไปเวทคิดโน้นคิดนี้ให้วุ่นวายเหมือนกับน้ำไหลบ่าหลา ย, าลายด้านแล้วทางไม่มีกําลังพอ ในขณะที่จะทําให้จิตมีความสงบด้วยสมถะอารมณ์แหม่งธรรมบทตรก็ตามเอากําหนดลงไปให้จิตง่ายจังต่อทำบุตรนั้นสืบต่อเนื่องไปเด็ลำดับไม่ต้องหวังผลอะไรนอกจากความเพียรในวงปัจจุบันให้สืบต่อเนื่องกันไปโดยลำดับเท่านี้ผลจะปรากฏขึ้นมาเองในจุดนั้นจุดนั้นจนกลายเป็นความสงบเย็นตรงได้การพิจนะารณทาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันทําไมร่างกายเล็กๆ เ, เท่านี้จะแทงไม่ทะลุภูเขาทั้งลูกเขาทําลายกันแตกกระจายไปหมด เอามาทําประโยชน์ได้การพิจารณาทางด้านปัญญาในส่วนร่างกายและขันตั้งห้าซึ่งมีอยู่นี่ไม่เห็นใหญ่โตอะไรกว้างศอกยาวาหนาคือนเท่านี้ทำไมแทงมาทะลุตาตราวุธที่พระพุทธเจ้าประธานท่านนี้เป็นตาตราวุที่แหลมคมสุดทําไมแทงขันห้าเท่านี้ไม่ทะลุมันขึ้นอยู่กับอะไรถ้าไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานเราต้องผิดความสามารถขึ้นมาศรัทธาความเพียรหมุนให้เตี้ยวลงไป นี้ยจะแทงทะลุเมื่อแทงขันห้านิทะลุแล้วมันจะไม่ไปไหนจะต้องแทงทะลุในจิตอิกจิตกิเลสจะรวมตัวเข้าไปสู่จิตเมื่อลราตีตะล่ำเข้าไปในขันแต่กระจายด้วยความรู้แจ้งแห่งจริงด้วยปัญญาของเราแล้วกิเลสไม่มีที่หลบซ่อนมันก็ต้องวิ่งเข้าสู่ใจมาวิ่งเข้าสู่ใจแล้วสติปัญญาก็ตามต้อนเข้าไปฟาดขันหันแหละกันตรงที่ายแต่กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าแทงทะลุ แทงทะลุด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนสุดท้ายก็ปัญญาอละเอียดแหลมคมแทงทะลุพิเรศประเภทที่ละเอียดแหลมคมมากให้แตกกระจายออกไปจากใจนั่นไม่ต้องถามหาที่ว่าบริสุทธิ์เหลืออย่างเดียวเท่านั้นพิเรศตายไปหรือหมดไปจากใจที่อย่างเดียวเท่านั้นปัญหาคําว่าตายเกิดข้อหมดไปไมันรู้แจ้งเห็นชัดอยู่กับใจคําว่านิพานก็ไม่ต้องถามถามหาอะไร อยากกันไปหาอะไรอีกความอยากคือความหิวโหวยความไม่เพียงพอกอารรบกวนให้เกิดทุกข์อยากในทางดีมันก็เป็นทุกข์อยากในทางชั่วก็เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ก่อกวนเมื่อความอยากมันสิ้นสุดตรงไปทั้งเหตุทั้งผลพร้อมกันแล้วหมดความอยากเหลือแต่ความเพียงพอนานเกิกว่าพอตัวเหมือนกับเรารับฐานหิวโหวย เราก็ต้องรับทานเมื่อรับทานอิ่นเต็มที่แล้วความหิวก็หายไปนี่น่หละหลักอยญ่อยู่ที่ตรงนี้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละความเพียรเอาให้ได้ให้เห็นของจริงมีอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนให้เบิกออกเรื่องทุกข์กับสมุทยัยอันเป็นขวากเป็นหนามฝังจมอยู่ภายในา จ, จิตใจนั้นทอดออกด้วยความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาเอาให้แหลกแตกกระจายออาหมด บรรดาค่าสึกที่มีอยู่ปายในจิตใจมากน้อยนะเราจะเห็นความประเสริฐเลิศจะมีอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันมีอยู่ที่ใจดวงบริสุทธิ์นี้เท่านั้นในโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดเสมอเหมือนจิตที่บริสุทธิ์นี้เอาให้เห็นจริงเห็นจังตังบุรุษเจ้าสอนจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดโดยธรรมหลุดพ้นโดยธรรมรูแจง้งเห็นจริงตามเสเด็จพระพุทธเจ้าทันเอาตรงนี้เอาให้จริงให้จังพอพูดไปเหนืหน่อยก็เหนื่อยก็แล้ว เอาเพียงแค่นี้ก็หยุดก่อน